ขอปวงสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีส่วนแห่งมีมุติรสขอพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงสถิตยอยู่ในโลกตลอดกาลนานขอปวงสัตว์จงมีความเคารพในพระพุทธศาสนาเป็นนิดขอฝนจงตกในปฏิพภภีโดยชอบตามฤดูกาลขอผู้ยินดีในพระศารรมจงปกครองชาวโลกโดยธรรมเทินก็ขออนุโมทนาด้วยกับทุกท่านเชนพร เรียกว่าอามะคันธสูตรอามะแน่น่าจะแปลว่าดิบนะคันธก็คือกลิ่นพระสูตรที่กล่าวถึงกลิ่นดิบว่างั้นคือเรื่องรเรื่องราวเขาก็มีอยู่ว่ า, เ, าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นมีพรามชื่อว่าอามะคันธบัรประชาเป็นดาบทพร้อมกับมานพ ห้าอยคนเป็นคนที่มีบริวารเยอะนะออกบวชแล้วก็มีลูกศิษย์ติดตามประมาณห้าร้อให้สร้างอาสมอยู่ในระหว่างภูเขาก็คือไปสร้างที่พักที่อาศัยอยู่ในระหว่างหุบเขานะถ้าถ้าเราไปภาคเหนือเนี่ยมันจะเห็นหุบเขาเยอะก็ระวังซอกเขาหุบเขาก็ไปสร้างที่พักที่อยู่ที่อาศัยก็มีเผือกและมีเผือกมัน และผละไม้ในป่าเป็นอาหารอยู่ที่หุบเขาแห่งนั้นดาบดไม่บริโภคปลาและเนื้อเลยก็คือเป็นพวกนักมังสวิรัตเหมือนั้นแต่ไม่กินเนื้อกินปลาอะไรสักอย่างครั้งนั้นโรคผอมเหลืองก็เกิดขึ้นแก่ดาบดเหล่านั้นผู้ไม่บริโภคของเค็มของเปรี้ยวเป็นต้นนะก็คือไม่ได้รับรสเปรี้ยวรสเค็ม แล้วก็อยู่ในปา่ากินเฉพาะเผือกมันกินแต่ยอดผักยอดไม้นี่ก็พร้อมเลื้งกันต่อแต่นั้นดาบดเหล่านั้นก็พูดกันว่าเราจะไปยังถิ่นมนุษย์เพื่อเสพของเค็มและของเปรี้ยวดังนี้แล้วก็ได้เดินทางไปถึงปัจจันตคามในปัจจันตคามนั้นมนุษย์ทั้งหลายเห็นดาบดเหล่านั้นแล้วก็เลื่อมใสในดาบดเหล่านั้นนี่มรให้ฉันอาหาร มนุษย์ทั้งหลายก็น้อมเตียงน้อมต่างภาชนะสำหรับบริโภคและน้ำมันทาเทา้าเป็นต้นแก่ดาบทเหล่านั้นผู้ทำพัฒกิจเสร็จแล้วเนี่ยนะก็คือนิมนต์ท่านเหล่านั้นให้ฉันพอฉันเสร็จก็ถวายเข้าของเครื่องใช้พวกนี้แหละแล้วก็แสดงที่อยู่บอกว่าสมควรที่จะไปพักตรงนั้นเหมงั้นเถอะก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายขอท่านจงอยู่ที่นี้ก็นิมนต์ให้ท่านอยู่ใกล้ๆบ้าน คำว่าใกล้บ้านนี้ก็คือมันก็มีสวนมีป่าถ้าเป็นทางอีสานมันจะมีไอเรียกว่าป่าสาธารณะนะหรือป่าชุมชนก็ให้ไปอยู่ในป่าในลักษณะนั้นอขอพวกท่านอย่าได้กสันคืออย่าได้กวนกวายดังนี้แล้วก็พากันหลีกไปแม้ในวันที่สองพวกมนุษย์ก็ได้ถวายทานแก่ดาบทเหล่านั้นแล้วได้ถวายทานวันละหนึ่งบ้านตามลําดับเรือนอีกนะ ก็แสดงว่าเปลี่ยนวาระกันทาบุญจัดเวรการทำเหมืนกั น, นดาบททั้งหลายอยู่ในที่นั้นสิ้นสี่เดือนก็มีร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะได้เสพรสเค็มและรสเปรี้ยวอันรสเค็มเนี่ยมีความสำคัญนะเค็มกับเปรี้ยวเนี่ยนะมีความสำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมากแต่ถ้าคนที่กินเค็มมากเกินไปก็มีโทษเหมือนกันมีโยมคนหนึ่งเนี่ยว่า ทานปลาทูเค็มยังใส่น้ำปลาเลยเคได้ยินไนหะในที่สุดเนี่ยป่วยพร้อมเหลืองแทบตายแต่ดีว่าเป็นคนมีฐานะก็เลยรักษาได้นันก็อยู่ในที่นั้นสี่เดือนสุขภาพก็ดีขึ้นก็เลยได้บอกแก่พวกชาวบ้านเหล่านั้นว่าอาวุโสทั้งหลายเราจะไปละนะสุขภาพดีก็จะไปละความมาก็เหมือนกันหายโรคก็ไปละ แล้วก็ได้ถวายน้ํามันและข้าวสารเป็นต้นแก่พวกดาบดเหล่านั้นดาบดเหล่านั้นก็ถือเอาน้ํามันและข้าวสารเป็นต้นเหล่านั้นไปยังอาสมของตนตามเดิมก็ดาบดเหล่านั้นได้มาสู่บ้านนั้นทุกๆปีเหมือนอย่างเคยปฏิบัติมาคร่ปีก็จะเข้าไปอยู่ในป่าแปดเดือนเห็นไหมก็ออกมาอยู่ในหมุระเขตหมู่บ้านสี่เดือน นะครบรสเดือนก็เข้าปอีกแปดเดือนก็ประพฤติอย่างนี้ทุกปีทุกปีไปแม้พวกมนุษย์ทราบว่าดาบดเหล่านั้นพากันมาก็ได้ตเตรียมข้าวสารเป็นต้นต้องการเพื่อจะถวายทานและก็ได้ถวายทานแก่ดาบดเหล่านั้นผู้มาแล้วเช่นเหมือนกันเช่นทุกครั้งที่ท่านมาที่นี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก นะกิจวัตรอันนี้เนี่ยมีเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้นะ ค, คือเรียกว่าก่อนพุทธกาลทีนี้พอมาในพุทธกาลคือมาช่วงที่พระองค์ได้เป็นพระอรหันตรัสรู้ขึ้นในโลกพระองค์ก็แสดงธรรมจักอันบอบแล้วสสเสด็จไปยังเมืองสาวัตถีโดยลําดับประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีนั้นเห็นอุปนิสัยสมบัติของดาบทเหล่านั้นเออดาบทเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยแห่งมรรคผล พระ อ, องค์ก็เสด็จออกจากเมืองสาวัตถินั้นมีหมู่ภิกษุแวดลอ้อมเสด็จจาริกไปอยู่เสด็จถึงบ้านนั้นตามลําดับมนุษย์ทั้งหลายเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ได้ถวายมหาทานพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงธรรมแก่มนุษย์เหล่านั้นด้วยพระธรรมเทศนานั้นมนุษย์เหล่านั้นบางพวกสําเร็จเป็นพระโสดาบัน นะคนที่ฟังเขาก็บรุเลยหรือไม่ฟังแล้วก็วันหลังก็ได้บรรลุธรรมบางพวกก็สำเร็จเป็นพระสะกทาคามีบางพวกก็เป็นพระอนาคามีก็บอกว่าบางคนก็ใจร้อนว่าเอ๊ะสมัยก่อนแมเขาบรรลุกันง่ายเหลือเกินทำไมเราไม่บรรลุบ้างนี่เราก็น่าจะถามว่าเอาบรรลุอะไรอะ่ะใช่ไหมเราฟังว่าเออเขาบรรลุแล้วนะถ้าเขาถามเราว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้บรรลุ มีคนใกล้ๆนั่งถามเออท่านจะบรรลุอะไรเอาบรรลุอรหันต์ใชเออบรรลุโสดาบันอย่างเงี้ยพระโสดาบันเขารู้อะไรพระโสดาบันเขาแทงตลอดอริยสัจใช่ไหมแทงตลอดอริยสัจครั้งแรกเรียกว่าโสดาบันแทงตลอดอริยสัจครั้งที่สองเรียกว่าพระสกทาคามีแทงตลอดอริยสัจครั้งที่สามเรียกว่าพระอนาคามีแทงตลอดอริยสัจครั้งที่สี่เรียกว่าพระอรหันต์ อ้าวของเราก็แทงตลอดนี่เราก็ได้ฟังใช่ไหมอ้าวทุกทุกขสมุทัยทุกขานิโรธทุกขนิโรธถ้าขาม่มีปฏิปทาเออเราก็ได้ยินได้ฟังเหมือนกันนะทําไมไม่เนรบรรลุทําไมนอะรู้ความต่างไหมก็เพราะว่าทุกขาริยศาสตร์นี้บรรลุยังไงอ่าบรรลุทุกขาริยศาสตร์ด้วยปริญญา ด้วยปริญญาทั้งสมอย่างเราสงเคราะห์รูปประขันโดยยาตะปริญญาตีระณะปริญญาปะหานะปริญญาหรือยังใช่ั้มแล้วรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเราใคร่ครวนโดยปริญญาสามมากขนาดไหนนะถ้าทำน้อยมัจะจบอย่างเดียวเลยนะหนังสือหนังห้าก็ไม่อ่านไนปะขอพุทธิบัติอาจารย์อย่างเดียวนะ ถ้าอาจารย์ก็ให้จบแล้วก็ไปสมัครงานแล้วก็ทำไม่ทงานไม่เป็นจะว่าไงนั่นแหะเพราะฉะนั้นเรียนยังไม่ทันจบจะขอจะอก็เรียนความรู้ไม่ค่อยมีอยาก จ, จบอย่างเดียวอย่างนั้นเลยทั้ทุกขาอริยสัจเราทั้งหลายก็ต้องปริญญาสามเอาถามว่าญาตะปริญญาในรูปถ้ารูปปะขันโดยญาตะปริญญาี่ทำอย่างไรได้ โดยตีระปริญญานี้เป็นอย่างไรโดยปหาณปริญญานี้เป็นอย่างไรนะยกตัวอย่างในเรื่องที่เราคุ้นอยู่แล้วเรามองเห็นเนี่ยสงเคราะห์ลงปริญญาบ้างหรื อ, อยังนะตาของเราเนี่ยเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยใคร่ครวรรอบรู้ตาพร้อมทั้งปัจจัยดีไหมสีที่เรามองเห็น เกิดการใคร่ครวนสิ่งเหล่านี้พร้อมทั้งปัจัยพร้อมทั้งสมุทฐานเพียงพอหรือยังแล้วพิจารณาเป็นปกติชีวิตจากขวิญญาณที่เกิดขึ้นสงเคราะห์ปริญญาสามลงไปนะสามอย่างประชุมการเรียกภาษะสงเคราะห์ภาษะลงปริญญาสาม เ, าเพราะว่าธรรมะเหล่านี้เป็นทุกขาริยสัตว์เวทนาที่เกิดขึ้นหลังจากการเห็น หรือว่าที่เกิดขึ้นกําลังเห็นนั่นแหละเวทนาอันนั้นก็สงเคราะห์ลงปริญญาสามเหมือนกันถ้าหากว่ายาตะปริญญารูอในสภาวะธรรมเหล่านั้นว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงแต่ขันหรือเป็นแต่เพียงนามรูปนะบอกโอ้วางค น, นอ้าก็เห็นแล้วไงสีเป็นรูปรู้สีเป็นนามอ่ ะ, อะรู้จักนามรูปหรื อ, อยังแค่นี้ คือคำว่ารู้จักนามรูปเนี่ยนะถ้าจากรู้รูปจริงๆเนี่ยทางตาเห็นสีแล้วเบื้องหลังของสีมีกี่รูปใช่ไหมถ้าจะรู้รูปอะเบื้องหลังของสีที่เห็นมีกี่รูปแล้วสีนั้นเนี่ยมีสมุดฐานเท่าไหร่นี่นะแล้วนามอะนามที่เห็นนามมีเท่าไหร่นามบางอย่างเป็นเวทนานามบางอย่างเป็น สัญญานามบางอย่างเป็นสังขารนามบางอย่างเป็นวิญญาณหรือเรียกว่าจิตเวทนาเวทนาก็เป็นสุขเวทนาก็มีเป็นทุกขเวทนาก็มีเป็นอุเบกขาเวทนาก็มีสัญญาสัญญารูปสัญญาแม้แต่รูปสัญญาก็ยังมีรูปสัญญาที่มีสีเขียวสีเหลืองสีดำสีแดงเป็นต้นต่อไป อา้าวสังขารน่ะสังขารก็ผัสสะเอ่ยเวทเนาเอ่ยอันพวกทั้งผัสสะหรือเจตนาพวกนี้ก็เป็นสังขารอันนี้เฉพาะในจักรวิญญาณนะแต่ถ้ากว่าชาวนะอีกล่ะบางครั้งก็เป็นกุศลบางครั้งก็เป็นอกุศลอย่างเงี้ยแล้วอกุศลก็ยังจําแนกแจกแจงไปอีกกุศลก็ยังจําแนกแจกแจงไปอีกไม่ใช่ว่านั่งท่องเออนี้รูปนี้นามแล้วก็บรรลุเลยอ๋ง่ายไปมาก วิชาอะไรจะง่ายขนาดนั้นในโลกนี้ฉนั้นอยู่ที่การไคร้ครวนอะไค้ครวนสิ่งเหล่านี้อย่างเพียงพอแล้วก็จะมีการละโดยลำดับถ้ารู้สภาวะธรรมเหล่านั้นดีละความสำคัญว่ามีอัตตาอยู่ในนั้นถ้าบอกว่าตานี่มีใครอยู่ในตาไหมตานี้มีจริงใช่ไหมถามว่ามีใครอยู่ในนั้นไหม ลืมตาแล้วโอ้โหเขาวิ่งออกมาดูเลยเหมือนกันเราเปิดหน้าต่างแล้วเหมือนกับเปิดประตูแล้วมีเด็กวิ่งออกมาเอาเวลาเราลืมตานี่มีใครวิ่งออกมาดูไหมไม่มีเนอะเออแล้วในสีนี่มีใครอยู่ไหมไม่มีอันเมื่อตากับสีจิตเห็นจึงเกิดสิ่งเหล่านี้ก็ประกาศถึงว่าความจริงเหล่านี้มีอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยแต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ก็คร่ครวสิ่งเหล่านี้พร้อมทั้งเหตุพร้อมทั้งปัจจัย ถ้ารู้ปัจจัยของสิ่งเหล่านี้ดีก็ละความเห็นผิดที่บอกว่าเอ๊ะบางคนบอกเอ๊ะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุเกิดขึ้นลอยๆบางคนก็บอกว่าเออมีผู้สร้างนะแต่ที่จริงไม่ใช่ใช่ไหมตาเป็นต้นเนี่ยเกิดจากสมุทฐานของเขาสีที่เห็นก็เกิดจากสมุทฐานจากครูวิญญาณก็เป็นธรรมะที่เกิดด้วยปัจจัยใช่ จากรวิญญาณอาศัยอะไรเกิดอาศัยจากรวัตถุมีอะไรเป็นอารมณ์มีสีเป็นอารมณ์เอาทำไมเขาจึงเกิดขึ้นเพราะมีมนุิการแต่ถ้าหากว่าสีบางอย่างถ้าไม่มีแสงสว่างเห็นไหมไม่เห็นทั้งสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากปจาัจจัยแต่จิตเห็นเป็นชาติวิบากนะเพราะคนน่าจะเห็นเหมือนกันหมดเนาะใช่ไหมทุกคนมีตามีสี แต่ทําไมเห็นไม่เหมือนกันบางคนเห็นได้เห็นสีที่ประณิดบางคนได้เห็นสีที่หยาบเพราะวิบากแห่งกรรมเก่าที่มาแตกต่างกันนะอันก็มีการวิจัยไข้ครวนสิ่งเหล่านี้อย่างรอบคอบก็เริ่มละความเห็นผิดละมิจฉาทิฏฐิละความสําคัญว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนละอุเฉททิฏฐิล ะ, ททละสัสนตทิฏฐิก็ค่อยละตามนั้นไปอันสมุทยศัตร์ละด้วยการเอ่า สมุทยัทยสัตว์แทงตลอดด้วยการละเนี่ยนะทุกแทงตลอดด้วยการกําหนดรู้สมุทยัยแทงตลอดด้วยการละนิพานแทงตลอดด้วยการทําให้แจ้งอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ดคือศีลสมาธิและปัญญาแทงตลอดด้วยการเจริญด้วยการเจริญกุศลศีลเราเจริญบ่อยไหมนะอา้าวใครๆบอกเออก็วันนี้ก็รักษาศีลดีตานาก็ไม่ทา ทินนาทานก็ไม่ได้รับการเมก็มกใ ห, หม่ทำมุสาวตาตไม่ได้โกหกใครเลยเล่าก็ไม่เคยเด่มพอหรือยังเอาทีนี้เออดีแล้วละ่ะที่รักษาได้ทั้งห้าข้ออย่างงั้นดีแล้วแต่เวลาตามมองเห็นรูปมีโลภะไหมมีโทสะไหมมีโมหะไหมถ้าไม่มีอันนี้เรียกว่าไม่มีอินทรีสังวรศีหูได้ยินเสียงแล้วจิตมีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นไหม ถ้ามีก็ไม่มีอินทรีย์สังวรศีลจะโหมกลมกลิ่นลิ้นรับรูรสกายรับกระทบคิดทั่วไปเนี่ยนะเคยคิดด้วยโลภะไหมความคิดของเราเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะไหมถ้าสภาพจิตที่เป็นไปกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นแล้วก็โลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นขณะนั้นไม่มีอินทรีย์สังวรศีลอ๋าศีลก็ยังไม่ได้เลยอ๋อแล้วปัจจัยสี่ะใช้ซอย ข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยอยู่ยารักษาโรคอาหารที่เรารับประทานเข้าไปพิจารณาไหมอันนี้เรียกว่าปัจจยะสันนิสิตศีลเนี่ยนะอันจตุ ป, ปริสุทิศินก็ต้องดีทีนี้สินคนที่อบรมสมาธิถ้ามีศีลอย่างนี้สมาธินั้นก็เป็นสมาธิที่มีผลมากมีอ น, นิสงส์มากเพราะฉะนั้นการอบรมสมาธิ เช่นการเจริญผู้ะคุณเป็นต้นก็เป็นสมาธินะแล้วก็เจริญปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาที่มีการอบรมมีการเจริญพอกพูนขึ้นอริยมรรจึงจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าคนที่จะอบรมเหล่านี้จะต้องรู้ทุกข์รู้ทุกขสมุทัยแทงตลอดในนิโรธอริยมรจึงจักบริบูรณ์เนี่ยนะยังจาคำของอาจารย์มุลเลิศนี่แหละ ท่านบอกว่าเออถ้าบรรลุแล้วจะเอากิเลสไปไว้ที่ไหนเขาบองั้นเราเนเงียบเล ย, ยนั่นแหละจริงๆเนาะยังอะไรก็ยังไม่ทันรู้สักอย่างสมมติว่า เ, ออเราเนี่ยไม่รู้เรื่องดวงดาวสักดวงเลยนะดาวอะไรเป็นดาวอะไรไม่รู้สักดวงเลยเขาจะให้เป็นด็อกเตอร์ทางดาราศาสตร์เอาไหมแล้วเชิญไปไประชุมสัมมนาระดับโลกเนี่ยตายเสียหายมากเลยนะเ อ, ป เ, ปนเอาไปประจานเอาไปปนนาวอายเขาตายเล ย, ยนั่นแหละ อันความรู้ด้านพระธรรมคำสอนกับลักษณะนั้นถ้าเกิดการใครครวนการพิจารณาน้อยผลก็ย่อมน้อยไปติดตามนะตามตามแต่ความเพียรความพยายามทีนี้ในสติปัฏฐานท่านท่านอธิบายในลักษณะเจริญอย่างต่อเนื่องกันเลยเนี่ยนะสืบเนื่องกันพระ อ, องค์บอกว่าเจดปีนะโสดาเอ อ, อ, อรหันเนี่ยนะถ้าอาสวะยังมีอยู่ก็ ถ้านาคามีบอกาโอ้เจ็ปีนี่ยาวไปหกปีห้าปีสมปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีหรือลดมาจนเหลือเจดวันถ้าใครเจริญอย่างต่อเนื่องกุศลจิตเกิดอย่างต่อเนื่องเจ็ดวันนะเป็นไปกับสติปัฏฐานตลอดนั่นนะแหละถ้าอย่างนั้นแม่มรรคผลก็ดูจะใกล้เคียงตันน้อยทาให้อย่างนั้นก็ลำบากแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ย ที่เขาฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าบรรลุเนี่ยนะเพราะเขามีบุญแต่ปางก่อนคนไม่มีบุญไม่ได้บรรลุหรอกเห็นไหเขามีบุญไว้แล้วเขาสะสมบุญเขาจึงเกิดทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะบุญทางตาเราก็น้อยเหลือเกินใครเคยเห็นพระพุทธเจ้ามัางทางตาเนี่ยนะลืมตาแล้วมองเห็นเคยเห็นแต่พระพุทธรูปเนาะ แต่ว่ารูปร่างกายเราก็ไม่เคยเห็นท่านพระธรรมคำํำสอนเราฟังเราก็ฟังจากคนอื่นกล่าวไม่ได้ฟังจากพระโอษฐ์เนี่ยนะไม่ได้ฟังจากนําเสียงของพระพุทธเจ้าจริงๆซึ่งมีมหากิริยาจิตเป็นสมุทฐานที่เปี่ยมล้นไปด้วยกรุณาเจตสิกเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ฟังเสียงในลักษณะนั้นเราไม่ได้มีบุญมากขนาดนั้น แล้วก็การฟังของเราเองก็จําไม่ค่อยได้ปฏิบัติตอ่อเรื่องก็ไม่ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็ให้รู้เท่าว่าเรานี่มีน้อยอา้าวถ้ารู้ว่ามีน้อยก็เลิกเลยใช่ไหมน้อยอพอแล้วเราบุญน้อยวาสนาน้อยบารมีน้อยกลับบ้านนอนดีกว่าอย่างนี้หรือเปล่าถ้ารู้ว่าน้อยแล้วก็ไม่ทำต่อนี่ก็แสดงว่าก็จะน้อย